มีเกรดตอนหนึ่งนะเกี่ยวกับหลวงปู่กินดรีหลวงปู่กินดรีนี่ท่านเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกๆของหลวงปู่สากันต์ศรีโลหลวงปู่สาวนี่เป็นทั้งรุ่นพี่แล้วก็อาจารย์ของหลวงปู่มั่นส่วนใหญ่จะรู้จักหลวงปู่มั่นกันแต่ว่าหลวงปู่สาจะรู้จักน้อยหรือไม่ค่อยรู้จักเลย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 อาการเพี้ยนขึ้นมาแล้วก็มายืนด่าท่านที่น่ากุติดแลด่าท่านเสียหายเลยนะแต่ว่าหลวงปู่กินรลีย์ท่านก็นิ่งพระที่เป็นอุปถากนะปัตชาสมณนะก็ทนไม่ได้อยากจะเข้าไปจัดการอยากจะเข้าไปด่าตอบหลวงปู่กินรลียก็ทักท้วงว่านะอย่าไปแย่งบาปจากเขาเลยนะนั่งฟังเฉยๆเถอะ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 แย่งบาปนี้อาจจะดูเบาไปนะอาจจะดูเบาไปเพราะว่าเหมือนกับว่าเราไปแย่งเข้ามาแย่งบาปจากเข้ามาสักสามสิซก็ยังน้อยกว่าคนที่ด่าเราแต่พระทวเจ้านี่ตัดหนักกว่านั้นจริงนะพระเจ้าตัดว่าเนี่ยผู้ใดโกรธต่อผู้ที่ด่านะผู้นั้นเลวกว่าคนด่า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 แต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ด่าตอบแต่ว่ามีสติสงบใจไว้ได้เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการทั้งเยียวยาตัวเองแล้วก็เยียวยาผู้อื่นเวลาเราสงบนะขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งด่าเอาด่าเอาเนี่ยนะมันช่วยทําให้อีกฝ่ายนเนี่ยเกิดสติขึ้นมาได้เหมือนกันนะเวลาเรานิ่งแต่อฝ่ายหนึ่งดาความนิ่งของเราเนี่ยมันจะเป็นกระจกที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รู้ตัวขึ้นมา เขารู้ว่าเขารู้ตัวนะว่าเขาเข า, าเขากําลังโกรธพอเขารู้ตัวเขากําลังโกรธเนี่ยเขาก็จะเริ่มสงบลงเคยมีครูคนหนึ่งนะไปเรียกลูกศิษย์มาลูกศิษย์คนนี้เรียนมัธยมแล้วก็โดดเรียนเป็นประจําไม่สนใจการเรียนท่าทางเกเรครูก็ไปเรียกมาแล้วก็ถามว่าทําไม เธอหายไปไหนทําไมเธอไม่มาเรียนหนังสื อ, อพอถามแค่เนี้นะเด็กก็โมโหโกโรธ น, น, นะนะเราวาดนะถ้าทางกาแ ฟ, กกฟแล้วก็ควา่างก็ควา้างแต่โต๊ะแต่เก้าอี้อครูก็ยังสงบนะักครูไม่ครูไม่ตอบโต้ครูไม่ด่าว่านะักเรียนว่าทําไมเธอไรามารยาททาไมเธอทําทแบบนี้กับครูครูนี่ก็เรียกว่ามีเมตตาแล้วก็เข้าใจเข้าใจเด็ก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 อย่างในฝรั่งนี่ก็ถือมากในะเรื่องการดูถูกด้วยเหตุผลทางศาสนาเหตุผลทางเชื้อชาติหรือการดูถูกทางเพศนี่มีอาชีพอะไรนะที่ที่ดีพอเขาขุดคุยเอาคำพูดเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยที่มันปรากฏอยู่ในเ c e b o o k ในโซเชียลมีเดียนี่ก็ก็เรียกเสียพูดเสียคนไปเลยนะต้องลาออกจากงานนะหรือว่าถูกปลดจากตำแหน่งเพราะว่ามัน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 กว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นหรือถึงสิ่งที่ตัวเองได้รับรู้มาสิเมื่อสักยี่สิบกว่าปีก่อนเนี่ยที่นี่เนี่ยชั้นอาหารนี่เป็นพาณนะิเป็นพานี่คือเป็นวงนแล้วก็ไปชั้นตรงชั้นสองชั้นบนของศาลาหน้าเนี่ยสมัยก่อนนี่ก็มีทั้งชั้นเช้าชั้นเพล น, น ก็ฉันเป็นวงวงละสามางวงละสองบางบางทีก็วงละสี่ก็ประกอบมีภาพรูปหนึ่งเนี่ยหงุดหงิดไม่พอใจที่ภาพอีกรูปหนึ่งซึ่งฉันในวงเดียวกันเนี่ยท่านฉันเคี้ยวและเสียงดังอย่งจับจับจับจั บ, จบเนี่ยนะแล้วก็บางทีเคี้ยวบางทีจับอ่าตักตักอาหารใช้ช้อนก็เสียงกระทบกับจานก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งวันแล้ววันแล้ววันแล้ววันแล้ ว, ว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 ดังนี้ยเต้องต้องต้องมองว่าต้องมาเตือนตัวเราอีกเสมอว่าปัญหาไม่ใช่อยู่ที่เสียงนะปัญหาไม่อยู่ที่การกระทําของคนอื่นแต่มีอยู่ที่ใจของเรานะที่วางเอาไว้ไม่ถูกเพียงแค่เราปล่อยวางไม่ต้องสนใจนะเสียงว่กากลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปพระพุทธเจ้าตรัสนะว่ามือที่ไม่เป็นแผลเนี่ยจับต้องยาพิษก็ไม่เป็นอะไร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 ท่้ความทุกข์ใจก็เหมือนกันแนละ้วความทุกข์ใจก็เกิดจากปัจจัยภายใ น, นก็คือจิตใจของเราที่วางเอาไว้ไม่ถูกนะมันไม่ได้ที่มันไม่ได้ที่สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนะแม้แต่คาําด่านั่นเองเนี่ยคาํานดะ่าถ้าเราไม่ไปจดจ่ออยู่กับคาําด่าเราฟังแล้วเราก็ปล่อยวางหรือเราไม่เอาตัวตวนเข้าไปเทียบไม่ไปเคียงเนี่ยมันก็ไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาอ่นะเปล่าก็เหมือนกับ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 ล้วคนฉลาดนี่เขาไม่เอาตัวรับนะเขาไม่เอาหน้ารับนะก็หลบนะคำด่าดนี่ก็ไม่ต่างจากมะพร้าวนะที่ลิงเกลเอขว้างมารวมหนึ่งคำต่อว่าด้วยถ้านะคนฉลาดเนี่ยเขาจะเขาจ ะ, เขาจะไม่ไม่เอาตัวรับคำดาดนั้นนะแต่เขาจะหลบแต่ถ้าแต่คนส่วนอยากเขาทำยังไงกันนะเขาเอาตัวรับ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 บริษัทบริวารเพื่อนเขาพี่น้องเขาเนี่ยซึ่งเป็นพราหม์เนี่ยหันมาหันมาสมาทานพระรัตนตรยัยหันมาเป็นอ่าเป็นชาวพุทธนะเป็นลูกเสือพระเจ้าเขารู้สึกว่าโกรธแค้นมากก็ดา่ดาดา่ดาด่าพระพุทโธงก็นิ่งเฉยนะนิ่งเฉยนะจนทั้งเขาดา่าเขาด่าจนจนพอใจแล้วพระเจ้าก็ ก็เลยเริ่มสนทนากับเขาถามพราหม์คนนี้ว่าพราหม์เคยมีคนมาที่บ้านท่านไหมเคยมีอาคันตุกะมาเยี่ยมเยียนท่านไหมพราหม์นี่บอกว่ามีเสียมีมากมายฉันไม่ใช่เป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอกนี่มีมาเยอะด้วยพราหม์เมื่อมีแขกมาที่บ้านเนี่ยท่านทําอย่างไรเขาพระเจ้าก็เอาของเอาน้ําเอาขอ ง, ขอ ง, ของกบเที่ยว ม, มาต้อนรับเสี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 คือเนี่ยคำด่าเนี่ยมันจะได้ผลก็แต่เมื่อเราเนี่ยรับเอาคําด่านะั้นแต่ถ้าเราไม่รับเนี่ยคำด่านะั้นมันก็เป็นโมฆะมันก็ไร้ผลแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะเขาด่าเราด่าผิดด่าถูกอย่างไรเนี่ยก็ไปไปรับเอาคําด่านะั้นมัเป็นของตัวนะแล้วก็โกรธเสียเองนะหลวงพ่อชาติท่านเคยเคยเค ย, เคยพูดเตือนนะ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 คำด่าเหมือนกันนะดา่าไปแล้วเขาไม่รับนะมันก็ย้อนกลับมาที่ตัวคนดา่าเราต้องฉลาดนะั้นในการที่จะไม่รับเอาคําด่านะันะ้ะอย่าเอาตัวตวนไปรับคาําด่าจะใช้วิธีอย่างหลวงพ่อประสิทธิ์ก็ได้นะหลวงพ่อประสิทธิ Road, ์ทาวโรนี่ท่านอยู่วัดทํามใหญปรตท่านมรณะภาพไปแล้วเป็นผู้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 ด่ากลับหลวงพ่อประสิทธิ์ไม่ทำทั้งสองอย่างหลวงพ่อประสิทธิ์เดินเข้าไปหาเขานะหน้าตายิ้มแย้มแล้วก็แล้วก็ไปถึงตัวแล้วนะแล้วก็จับแขนเขย่ามึงด่าใครมึงด่าใครก็ด่ามึงนะสิไอ้หนุ่มคนนั้นบอกเออแล้วไปที่แท้ก็ด่ามึงดีแล้วอย่าด่ากูแล้วกันนะแล้วท่านก็เดินออกไปเลยไอ้หมอนได้ ง, งงเลยตกลงกูด่าใครวะ คือหลวงพ่อประสิทธิ์นี้ถ้าไม่เอาตัวกูเขาไปรับเนี่ยไม่เอามอาตัวกลไปรับคำด่านะท่านก็เลือกเสวะเออไอหมอนี่มันด่ามึงมาไม่ได้ด่ากูนะอันนี้เรียกว่าเป็นคนที่รู้จักหลบนะเหมือนกับเราเห็นมะพร้าวมันเคลื่องใส่เรานะถ้าเราฉลาดนี้เราต้องหลบนะเราไม่เอาหน้ารับไม่เอาตัวรับนอนนี้เมื่อหลบแล้วเนี่ยนะ มาพราหมก็กระเด็นนะตกพื้นเราจะทําอย่างไรกลับมาพรางลูกนั้นเราจะมาพรางลูกนั้นเนี่ยคว้างกลับไปที่ลิงตัวนั่นหรือเปล่านะถ้วคนฉลาดเขไม่ทําง่ายกันนะเขาไม่อไนนะอไมเอาว่าไม่เสียเวลาก็ไม่เสียแรงเอามาพร้าว์ว้างกลับไปที่ตัวลิงถึงแม้ว่ามาพราวลูกนั้นจะไม่ได้กระทบตัวเขาก็ตามคนฉลาดก็ก็จะเอามาพร้าวเนี่ย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 รู้จักใช้นะจากคำด่าหรือไม่ใช่นั้นเนี่ยคำด่ามันก็สอนให้เราเข้าใจเรื่องธรรมะโดยเพราะเรื่องโลกธรรมโลกธรรมแปโดยเพาะข้อที่ว่าสารเสริญกับนิมฐาเป็นของคู่กันเคยไลฟ์ฟังแล้วนะที่หลวงพ่อทองรัตน์เนี่ยท่านบิณฑบาตแล้วก็มีคนเอาบัตรสนเทศใส่บาต ท, ท่านท่านก็รู้นะว่าอันเนี้ยเป็นข้อความที่ด่าว่าท่านท่านก็ พอมาถึงวัดท่านก็ให้เนรท่านก็เรียบผมจีวรอย่างดีแล้วก็สวมสังฆาติแล้วก็บอกเนว่าเนี่ยได้วันนี้ได้รับอมฤตธรรมจากเทวดาแล้วได้รับอมฤตธรรมจากเทวดาเป็นของหายากนะเอาเนนอ่านให้ฟังซิเนนก็อ่านให้ฟังเลยนะ ก, ก็ด่าว่าไอ้ผีพระผีบ้าไม่รู้จักไม่มีวินัยไม่สำรวมชอบประจบประแจงชาว บ, บ้าน นะถึงเดินดินบินบนได้ก็ไม่มีใครนับถือให้ออกไปจากวัด น, นี้นะไม่งั้นจะฝากตะกัวโอ้ยเขียนแรงมากนะถามว่าทําเป็นพระผีบ้าแล้วท่านได้ฟังเสร็จท่านก็บอกโอ้ยดีนะเนี่ยเพิ่งรู้นะว่าโลกธรรมเป็นอย่างนี้นะแต่ก่อนได้ยินได้ฟังมาโลกธรรมคือได้ลาบเสริมลามได้ยศเสื่อมยศนะสารเสรินนินทาสุขทุกขวันนี้ได้เห็นนะได้รู้จักโลกธรรมตัวจริงเลยนะ เก็บเอาไว้ใต้ฐานพระนัของดีของหา ย, ยากนั้นเน้นก็เอามาใช้เอาคําด่าว่านี่มาใช้เป็นเครื่องสอนใจถึงเรื่องโลกธรรมโลกธรรมสอนตัวเองด้วยสอนเนนด้วยนะมันจะทําให้เราไม่เหลิงเวลาเราได้รับคําสรรเสริญเราก็จะได้เตือนใจว่าออวันนี้ได้รับคาําด่าพรุ่งนี้วันนี้ได้รับคําชนพรุ่งนี้อาจจะรับคาําด่าหรือเช้ามีคนชมตอนเย็นอาจจะมีคนด่าก็ได้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 ผูนะ้ใสยทันว่ามึงบอแม่นพระดอกมึงบอแมนพระดอกว่าท่านโกรธมากเลยที่แรกแต่ว่าท่านก็มีสติพอกดพุ๊ก็มีสติแล้วก็พวดตัวเองขึ้นมาว่าเออจริงของมันเราไม่ใช่พระถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธเอาคําด่าของเอาคําพูดของของเด็กเนี่ยมาเป็นเครื่องเตือนใจสอนใจท่านว่าเออนี่เรายัางต้องฝึกอีกนะเพราะเรายัางโกรธอยู่เรายัางไม่ใช่พระนะ อท่านก้าอยอมรับความจริงแบบนี้เนี่ยันเป็นวิสัยของบัณฑิตมากลและท่านก็เรียกเด็กคนนี้ในเวลาต่อมาว่าเป็นอาจารย์คือทำให้ท่านได้เห็นตัวเองทำให้ท่านได้รู้จักตัวเองเนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาดูเนี่ยมะพร้าวที่ลิงโยนขว้างมาให้กับเราเนี่ยมันมีประโยชน์ชั้นใดนะไอ้คำพูดคำด่านะที่ใครต่อใครประเคนให้เราเนี่ยมันก็มีประโยชน์ ชั้นนะันนะอยู่ที่ว่าเราจะรู้จักหาประโยชน์แบบไหนนะข้อสำคัญแต่จะทำนั้นได้ข้อสาคัญก็คือว่าอย่าไปหลงตัวอยู่กับความโกรธนะพอถ้าเราเผลอใจเมื่อไหร่เนี่ยนะพอมีคำพูดอย่างนี้มากระทบเราก็จะโกรธนะแล้วพอเรากวดแล้วเราก็ลืมตัวนะพอลืมตัวแล้วทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นนะบางคนก็าถึงกับฆ่านะฆ่าฆ่าแฟน นะเพราะว่ามีการกระทบกระทั่งกันด่าว่ากันโกรธห้ามใจไม่อยู่ความีดคว้าจอบที่อยู่ใกล้ตัวนี้มาฟาดนะตายเสร็จแล้วก็มาเสียใจบางทีพ่อก็ฆ่าลูกเพราะความโกรธลูกเถียงพ่อเถียนงะไม่ตกฟากนะพ่อโมโหมากเอาปืนยิงลูกนะพอรู้ว่าลูกตายแล้วทาใจไม่ได้ยิงตัวเองตายตามไอนะ้เรื่องแบบนี้ก็มีอยู่เพราะความโกรธ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 เขาว่าเราเ้าดา่าเราเออให้ถือว่านี่เป็นเครื่องฝึกสติหรือทดสอบว่าเรามีสติไหมถ้าเราโกรธเราก็สอบตกสอบตกไม่เป็นไรก็เอาใหม่พยายามใหม่ลองตั้งหลักแบบนี้ว่าเนี่ยเขากำลังมาฝึกเขากำลังมาทดสอบสติของเราและขณะเดกันถ้าเกิดว่าเราเพลยมิมีความกลัวขึ้นมาในใจก็ให้ถือว่าเป็นแบบฝึกหัดอีกแบบหนึง่ง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 แล้วเราต้องผ่านมันให้ได้ถ้าไม่ผ่านก็ต้องเจอใหม่เจอแล้วเจออีกจนกว่าจะผ่านมันไดนะ้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นของมีประโยชน์เหมือนกันนะถ้าเรารู้จักใช้มันอ้าวคำนี้ก็เพิ่งเท่านี้นะอ้ากราบคระ